อยู่ต่อมาเกิดเป็นไข้โด่งจับอย่างหนักรักษาอยู่ประมาณเดือนกว่าๆจึงหายดีเป็นปกติต่อมาไม่นานท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านออกธุ ด, ดงเดินวิเวกไปในเขตอำเภอระหว่างดินแดนจังหวัดขอนแก่นไปเรื่อยไปทางอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมจัดเสนาสนะที่บ้านสามผงพระอาจารย์ใหญ่มั่น รับเอาพระอาจารย์เผิงอาจารย์ฝ่ายมหานิกายอยู่บ้านสามผงท่านยาครูศรีลาอยู่บ้านวาท่านยาครูดีบ้านบ่วงไข่อำเภอพน น, นิคมพ ร, ร้องด้วยหมู่รุสิทธิ์พห้ยติเป็นพระธรรมยุทธ์กับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นพระอุปชาพระอาจารย์สิงห์จัดเสนาชนะบ้านอากาศอํานวย อยู่จำพรรษาก็าพระเจ้าได้นําท่านที่คํานีที่เป็นไข้ดวงจับอย่างแรงไปรักษาอยู่จำพรรษากับพระอาจารย์สิงห์วัดป่าบ้านอากาศเดือนแปดแรงแปดถ้ำท่านที่ได้มรณภาพไปออกพรรษาแล้วข้าพเจ้าได้เดินทางไปบ้านสามผงเพื่อกราบท่านพระอาจารย์ใหญ่มัน่น แต่ไม่พบท่านสําหรับท่านเมื่อปรรษาได้หนึ่งวันท่านพระอาจารย์ได้เดินทางไปพักสํานักวัดป่าบ้านโนนแดงและบ้านเสียวอําเภอท่าอุเทนข้าพเจ้าพักเอาแรงอยู่สำนักวัดป่าบ้านสามผงนั้นได้สองคืนจึงได้เดินทางไปพักสํานักบ้านโนนแดงท่านท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเลยสั่งให้มีการประชุมหมู่ มีพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นเข้าในการประชุมด้วยท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านป่ารกว่าเรื่องจะนำไม่ออกท่านไปส่งมอบให้หมู่น้องสาวท่านเพราะท่านเห็นว่าไม่ออกท่านแก่อายุมากเจบแปดปีแล้วเกินความสามารถท่านผู้เป็นพระปฏิบัติได้แล้ว พระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นก็ต่างรับรองเอาไม่ออกท่านไปส่งด้วยไม่ออกของพระอาจารย์แก่มากหมดกำลังต้องไปด้เกวียนจึงจะไปถึงเมืองอุบลได้ฉะนั้นหมู่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายและเนนรวมกันทั้งหมดปกสิบรูปต่างก็พาสันต์ตกลงใจไปเมืองอุบลกับพระอาจารย์ด้วยไปถึงบ้านหัวสะพาน บ้านหนองขอนซึ่งเป็นบ้านเดิมของพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์มหาปิ่นซึ่งอยู่ในเขตอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดตั้งสำนักป่าจำพรรษากันอยู่นั่นก่อนพระอาจารย์อุ่นไปจัดสำนักป่าบ้านโนนเมืองได้มหาปิ่นมุทุ ก, กันมาบวชเป็นศิษย์ปฏิบัติอยู่ด้วยท่านออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ใหญ่ได้นําไม่ออกท่าน ไปมอบให้น้องสาวท่านในเมือ ง, ง, งอุบลหมู่พวกข้าพเจ้าจึงค่อยทยอยกันอยู่ตามพระอาจารย์ใหญ่มั่นทวัตบูรพาเพราะท่านสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสให้ท่านเป็นจำภาษาพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์มหาฟิน่นไปจัดสำนักป่าจำภาษาทิท้าวังหินคุ้มบ้านสว่างตัวข้าพเจ้าพร้อมด้วยหมู่จำภาษาบ้านหัวงวูออำเภอยโสธร ออกพรรษาแล้วถึงเดือนสามหรือเดือนสี่ไม่แน่ใจพระอาจารย์ใหญ่มั่นได้มอบหมู่พวกข้าพเจ้าไวกับพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์มหาปิ่นส่วนตัวท่านได้ไปกับเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระจำพรรษาวัดสะปทุมจากนี้ไปขอจบเรื่องการศึกษาปฏิบัติผิดถูกอันจำเป็นกับครูอาจารย์และได้ศึกษาเข้าใจดี พอปฏิบัติเอาตนให้ค้นทุกข์ได้แล้วส่วนที่ยังอยู่ก็แต่ตนจะตั้งใจปฏิบัติทำใจตนให้เป็นไปตามธรรมะที่ได้ศึกษาอบรมมาเท่านั้นจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนช่วยครูบาอาจารย์ทากิจพระศาสนาแต่นี้ไปจะได้ภาวนาเรื่องที่จะได้ทากิจ พระศาสนาช่วยครูบาอาจารย์และปฏิบัติเอาตนก่อกู้คำจุนรักษาพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปเรื่องทำกิจพระศาสนาปีจำภาษาบ้านหัวงัวอำเภอยะโสธร น, นั้นเดือนสิบข้างแรงเห็นพระมหานิกายแตกพรรษามาขออาศัยอยู่กับกัปป์เจ้า พอถามสาเหตุพระนั้นจึงบอกว่าพวกโยมจานครูจันทร์ปราดใหญ่นายกำนันขุนเสงตำบนภพาสมัยอำเภอยะโสธรไล่ผมหนีจากสนัดป่าบ้านกุดกระเจิมตำบนภพาสมัยนั้นคือพวกโยมที่กล่าวมานี้มาถามธรรมกับผมผมบอกพวกโยมว่าอาตมาปฏิบัติยังไม่รู้อะไรดอกพวกโยมก็เลยว่า ตัวผมปฏิบัติเลือกธรรมตัวเองครองพระครองสงไม่มีดอกแบบท่านทำอยู่นี้แล้วก็ได้ผากกันมาไล่ผมนี้ผมจึงได้มาขออาศัยอยู่กับครูบานี่แหละตัวข้าเพาเจ้าพรอหมู่ก็ได้เมาญาตให้พระองค์นั้นได้อาศัยอยู่กับหมู่พระมหานิกายที่จะสำนักอาศัยศึกษาติดกันที่นั้นไปแต่ตัวข้าเพาเจ้านึกในใจขึ้นว่า จังครูจังปราตนี้ไปเรียนความรู้ธรรมจนได้เขาว่าปราดอย่างไรกันจึงไม่รู้ธรรมะปริยัตปฏิบัตปฏิเวกอย่างนี้ออกพรรษานี้แล้วเราเดินไปเอาใบบุติที่เจ้าคณะอำเภอยลยสุวรรเราจะหาโอกาสไปดูตัวแก่จากครั้งครั้งออกพรรษาแล้วก็ได้เดินทางไป ขอบาจิกิเดินทุดงต่อไปท่านจาเจ้าขุนเจ้าคณะอำเภอวัดตลังโตท่านหลวงพ่อพระครูจิตวิโสทนาจารย์ท่านทำให้แล้วก็ได้เดินทางมาพักอยู่บ้านหนองขาตำบลคำใหญ่ที่เหมาะดีพักอยู่นั้นนานพอสมควรครั้นต่อมาีนมูมอีกองค์หนึ่งชื่อพระจารย์กับในอีกองค์หนึ่ง ไปพัก่ด้วยสอนคนในแถวนั้นและการนักถือีต่างๆให้รักพระไตรชนคมได้มากเป็นจำนวนห้าหมู่บ้านเดินที่เท่าไรค่ำจำไม่ได้พุทธศักราชสองันเจ็ดิสมัยนั้นอายุได้ยี่สิบหปีครั้นพอสมควรแล้วจึงได้หลาญาติโยมบ้านหนองขาเดินทางไปบ้านหนองหินที่เป็นบ้านกำนันขุนเสงวาปี และอาจารย์ครูจันทร์เป็นต้นนั้นไปพักกันอยู่ริมป่าดอนผีปู่ตาเขามองไปเห็นคนเขาล้อมรู้สวนปลูกยาอยู่ให้เดินไปบอกให้เขาไปบอกนายคำนั้นคุนเศรษฐวีเป็นต้นหรือเพื่อ อ, อกจา่ายครูจันทร์ให้ออกมาเยี่ยมเล่นกับหมูพวกอตมาที่ได้เดินทางมาพักริมป่าที่มองเห็นอยู่นั้นด้วย โยมก็ได้วางงานเข้าไปบอกให้กำนันขุนเสงวาปีกำนันขุนเสงให้จานครูจานมาคนเดียวแกมาถึงแกก็ปิดชื่อถามชื่อู้ออกเป็นใครเป็นผูออกจานครูจันหรือเป็นนายกำนันขุนเสงวาปีประการใดผูะ อ, ออกจานครูจันแกว่าไม่ใช่ทั้งนั้นแกบอกว่าพูะออกจานครูจันและกำนันจะออกมาตามทีหลัง ่อพูดกันไปสังเกตดูแกพูดและแกหัวเราะเป็นลักษณะคนมีความรู้ก็พระเจ้าจึงทักแกขึ้นว่าผู้ออกนี้เป็นพู้ออกจานครูจันร์ใช่ไหมแกก็เลยรับรองว่าใช่ก็พระเจ้ากับแกก็เลยได้สนทนาธรรมกันกับแกพอควรก็ได้ไปเดินหาที่พักเห็นดอนหนึ่งพอพักได้แล้วให้จานครูจันพร้อมด้วยหมู่ของแกจัดที่พักขึ้น วันนั้นไม่แล้วดีวันหลังให้ทาให้ดีพอทำความเพียรได้สะดวกดีแล้วเสร็จไปอีกวันหนึ่งถึงวันที่สองจึงเห็นกำ น, นันขุนเสงวาพีและจัครูจันเป็นต้นพร้อมด้วยชาวบ้านหนองหินหลังคาเรือนร่วมสามร้อยกว่าได้พากันเตรียมตัวมาใส่ถามทำกันเป็นอย่างมากก็ เ, เปิดเจ้าเห็นคนเขามามาก จึงนึกขึ้นในใจว่าที่มิเชตเขาจะมาไต่ถามธรรมกับเราหรือประการใดชิงนึกถามเขาดูว่าพวกพ่อออกไม่ออกพากันมามากมายพากันมาธุระอะไรพ่อออกจารย์ครูจารตอบขึ้นว่ามาถามไล่ธรรมกับท่านนี่แหละได้พูดกับแก่ต่อไปว่าจะมาไล่อัตมาอย่างไร อาตมาไม่ได้เรียนคำพีวินัยอะไรมามากเลยเรียนแต่พอรู้ข้อปฏิบัติบ้บางเล็กน้อยเท่านั้นหากผู้พ่อออกมาไลอ่อาตมาอาตมา ก, ก็ต้องยอมแพ้ผู้พ่อออกเลยแล้วยอมยอมพู้ออกจารย์ครูจรันแกจึงว่าอาจารย์พูดนี้พูดต้อนเล็บมากทีเดียวถึงอย่างไรพวกผม ก็จะเปิดเล็บของท่านอาจารย์ดูให้รู้แน่ว่าจะเล็บสั้นเล็บยาวแค่ไหนพวกผมก็จะถามท่านให้รู้ในวันนี้แหละพวกผมเตรียมมาถามท่านอาจารย์วันนี้เจ็ดคำถีมเท่านั้นดอกทั้งเจ็ดคำถีนี้พวกผมจะขอถามท่านอาจารย์แต่ที่สำคัญสำคัญเท่านั้นดอกเพราะพวกผมเป็นภารวาสมิยกระมาก มีเวลาจะถามท่านอาจารย์ได้อยู่เฉพาะคนเดียวเท่านี้แหละก็พเจ้าจึงพูดว่าก็าตูอาตามาขอยอมแพ้ขอให้พระออกหยุดแรล้อาตามาแล้วท่านอาตามาก็ได้บอกว่าอาตามาไม่รู้แล้วพวกพระออกก็ยังไม่หยุดไล่อาตามาอยู่หรืออันพวกพระออกจะถามอาตามานี้ ถามเอาความรู้ด้วยกันหรือจะถามเอาแพ้อเอาชนะกันประการใดอัตมากอเจา้าเขาออกจานครูจนันจึงตอบขึ้นมาว่าถามเอาความรู้ด้วยกันนั่นแหละถ้าถามเอาแพ้อเอาชนะกันนั้นพวกโยมเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยจากนั้นจาย์ครูจนันแกปารพถามธรรมขึ้นมาว่าการอธิบายธรรมกันนี้ต้องพูดกันให้ถึงท่าวิพัต ปัจใจเป็นต้นแหมมันจึงจะดีแกว่าเั่งนี้ตูปข้าพเจ้านึกยินในใจเพราะอยากรู้อยู่แล้วอันเรื่องพลาดเรื่องขันเป็นต้นนี้จึงได้ถามแกว่าพราะออกจารย์อันเรื่องพลาดนี้อัตมา ก, ก็อยากรู้อยู่ก็แต่ว่าได้ยินแต่พวกท่านเรียกคำทีพูดกั น, นเรื่องพลาดนี้อันทลาดที่เอาลงตั้งเป็นหลัก แปลหนังสือกันนี้เอาธาตุอะไรลงตั้งเอามาหาพูดธาตุสี่มหรือหรือเอาธาตุเจ็ดมีมาหาพูดธาตุสี่แล้วมีอากาศธาตุไปหาวิญญาณธาตุเป็นที่สุดนี้ตั้งลงหรืออัธรรถธาตุสุดปดนี้ตั้งลงหรือเอาธรรมธาตุนี้ตั้งลงมีวันโนธาตุคันโทธาตุและไปถึงพวังคธาตุ วิญญาณธาตทั้งเจ็ดนี้ตั้งลงหรือหรือเอาธาตุที่อัตรมทั้งหมดนี้ตั้งลงประเภทใดหรือไม่เอาธาตุพวกนี้ตั้งลงหรือเอาธาตุอะไรมาตั้งแลงหรือกระเล่าอันส่วนขันนั้นเอาขั น, 5, นห้งงหออา น, 4, น, 3, น, 1, นี้หรือตั้งลงหรือเอาขันสี่ขันสามขันหนึ่งนี้หรือตั้งลงหรือเอาแปนสี่พันพระธรรมขานั้น หรือมาตั้งลงแปลงหรือการประการใดส่วนวิพัฒน์นั้นได้แก่อารมณ์คือชื่อของจิตสิ่งของที่มงคลสัตว์ต่างๆนี้หรือเป็นวิพัตน์ปัจจัยนั้นได้แก่เครื่องอาศัยให้ชีวิตของคนศัตว์ทั้งหลายเป็นไปอยู่นี้หรือเอามาเป็นเครื่องประกอบกันเข้าเป็นปัจจัยแปลงหือกนันักประการใดอาตมาขอให้พระออกจารย์ อธิบายไปให้อัตมาฟังให้เข้าใ จ, จแจ่มแจ้งด้วยเพราะอัตมาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้เรื่องทาตเรื่องการทั้งหลายเหล่านี้แจ้งชัดอยู่แล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ในโลกดังนี้พระพุเจ้ามองดูผู้ออกจารครูจารแจ้งมีอาการอึกอักอึกอักอยู่บ้าง แล้วแกจึงพูดว่าเรื่องธาตุเรื่องขันนี้มันมีมากเหลือที่จะมากถึงผมเรียนคำพีก็เรียนไปไม่จบดอกเรียนพอเอามาตั้งแปลงสือกันเท่านั้นก็รู้เท่าเดียเรียนไปถึงเท่านั้นแหละแต่ถึงอย่างไรก็เอาธาตุเอาขันที่ท่านอาจารย์อธิบายไปแล้วหมูนี่แหละตั้งแปลกันทั้งเวลานี้ โยมก็ได้สึกมาจากพระมานานตีก็ลืมไปบ้างแล้วนึกเอาอธาิบายให้ท่านอาจารย์ฟังให้เข้าใจให้แจ้งในเวลานี้ไม่ได้แล้วอันเรื่องธาตุเรื่องขันขอยกไว้ก่อนเพราะเวลาของพวกผมจะหมดไปเจแล้วเวลานี้ผมจะได้ขอถามท่านอาจารย์ตามที่พวกผมได้ปรารถเรื่องลำดับของคำพี มาทั้งเจ็ดคำพ์นั้นไปก่อนโคทิปักเกียธรรมนี้แปลว่าอะไรแต่ผมยังเป็นพระอยู่ได้ถามท่านพระครูและอาจารย์รวมเป็นสามองค์ท่านทั้งสามองค์นั้นแปลว่าเป็นอย่างเหมือนน้ำบ้างแปลว่าเป็นอย่างคลองน้ำบ้างอันเป็นไม่ถูกอย่ามพวกผมเรียมาขอให้ท่านอาจารย์ได้พวกผมฟัง อีกบ้างดังนี้คําถามแบบนี้ที่จันรครูจรันยกขึ้นมาถามก็ไม่เคยนึกขึ้นมาพิจารณาให้รู้ว่าแปลว่าอย่างไรกันืว้ก่อนพอพระออกจย์ครูจรันถามอยู่นั้นนึกสับนี้ขึ้นมาได้และพร้อมทั้งแปลขึ้นมาได้พร้อมกันเลยพวกแกถามและพิบายหมดความก็ได้พักตอบคําถามของแกไว้ก่อน ข้าพเจ้าจึงย้อนถามแกเรื่องธาตุเรื่อ ง, องขันทั้งหลายที่ได้พูดกับแกไว้นั้นอีกว่าพราะออกจารตัวหนังสือธรรมที่พระองค์บัญญัติไว้ก็ว่ามีสาสองตัว33สากับอังที่ยกเข้ามาเป็นสระนั้นเหตุใดพระออกจึงวัาาดธาตุและขันของธรรมีมากดังนี้เอาอันใดมาแต่ที่ไหน มาใส่เข้าใน้าดขันของธรรมหรือไม่อย่างพวกเราเขียนถือกันก็เอาอักขรสา2สสองตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งลงตั้งเอาสลัพยัญชนะสะกดการผสมกันเข้าเรื่อยไปจะเขียนไปหมดวันอย่างค่าเท่าไรก็ไม่เห็นมันหมดตัวหนังสือกันสักดีหรือเอาตัวอักขระสะกดการด้านพยัญชนะเขียงปนกันไปนั้น หรือเป็นธาตุเป็นขันต์กันผู้ออกจารย์จึงว่าธาตุขันต์มันมีมากจึงนับไม่ทั่วผู้ออกจารย์ครูจัน์ก็จึงตอบขึ้นมาว่าเอาละ่ะเรื่องธาตุเรื่องขันต์นี้ผมขอยอมท่านอาจารย์ไว้ก่อนละเพราะเป็นของยุ่งยากมากขอให้ท่านอาจารย์อธิบายคำถามพวกผมได้ถามไปแล้วนั้นเสียก่อนดังนี้ตัวกัปปะเจ้าจึงนึกขึ้นใน ใ, นใจว่าเรา หมดความคิดที่จะถามเรื่องท่าเรื่องขันให้รู้จริงๆกับแกแล้วจึงแปลคำถามที่เขาถามจะได้ย้อนถามแก่ว่าโพธิปักกิยธรรมนี้มีสามสั์ใช่ไหมดังนี้จารครูจันแกก็จะงหนตกตะลึงอยู่กัปเจ้าจึงพูดขึ้นเป็นคำนำแก่ว่าโพธินี้สับหนึ่ง ปัจจยานี้สับหนึ่งทำสัปหนึ่งนี้อย่างนี้ใช่ไหมจันครูจันท์แกจึงว่าถูกหลักจึงได้แปลให้แกฟังว่าโพธิแปลว่ารู้หรือตัดสรุปปัจจิยแปลว่าทางของผู้ปฏิบัติเข้าไปตัดสรุปธรรมในธรรมะทั้งหลายอย่างนี้ถูกไหมจาย์ครูจันทร์แกรับรองว่าถูกหลัก ท่านอาจารย์แปลนี้พวกผมก็ได้เรียนมาอย่างนี้แหละข้าพเจ้าจึงพูดตอบไปว่านี่แปลตามศัพท์นะถ้าแปลเอาเนื้อความทังว่าโพทิปักเชะธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นทางปฏิบัติเข้าไปกรสรุ ธ, ธรรมะทั้งหลายดังนี้ถูกไหมแกก็รับรองว่าถูกอีกแล้วอาจารย์ครูจารย์แกจึงพูดว่า เรื่องคำพีพวกที่ปักขิยรรมนี้พวกผมขอยุติเพียงเท่านี้จะขอถามคำพีส่วนที่กับคำพีมูลกระจายต่อไปคำว่าส่นที่ส่นทีนี้แปลว่าอะไรแต่ผมเป็นปรรพระคระดิถามท่านพระครูและมหาเป็นสามองค์องค์หนึ่งแปลว่าผู้หญิงมีท้องอีกองค์แปลว่าพบของสัตว์เกิด อีกองค์แปลว่าพบของเทวดาดังนี้เยังแปลไม่ถูกอยู่ขอท่านอาจารย์แปลพวกผมฟังอีกจึงนี้ตอบคําถามแก่ว่าส่วนที่นี้อักษรเป็นตับเดียวต้องแปลว่าต่อคําเดียวเท่านั้นจะต่อกับอะไรอีกก็แล้วแต่จะเอาไปต่อหรือจะต่อเข้ากับกุศ ล, ลมูลสามอกุศ ล, ลมูลสามก็ได้ทั้งนั้น จยนครูจันแกรับรองว่าถูกผู้ผมเรียนแปลกันก็แปลอย่างนี้แหละจย์ครูจันรู้สึกว่าแกมีความฉลาดแหลอยู่เมื่อยกทาอะไรมาถามหาเอาเรื่องว่าไปถามพระนั้นมาพระนี้มาแปลอย่างนั้นอย่างนี้ฉากตัดบทให้เราติดแต่ขา้าพเจ้ารู้ดีอยู่เรื่องนี้จึงอยากรู้เรื่องสุนทิเรื่องนามตลอดพาดวิพัต์ปัใจจัยให้แจ้งชัดอยู่แล้วในใจ จึงหาทางถามแก่ที่แกถามมาแล้วนั้นย้อนถามอีกว่าพรอะอกจาร์อัตมาอยากถามความที่อัตมาอยากรู้กับพรอะอกจารใช้อัตมาถามได้ไหมาจารย์ครูจรันจึงว่าได้ธรรมดาการศึกษาทำกนนีก็ต้องมีผู้หนึ่งถามผู้หนึ่งแกเปลี่ยนเป็นไปอย่านนี่แหละ ข้าพเจ้าจึงถามแก่ว่าอาตมาได้ยินพวกนักปราชญ์ถามกันงเรื่องสนธิเรื่องนามนี้ได้ถามกันขึ้นขึ้นต้นแต่สนธิไปหานามอันต้นของสนธิได้แก่อะไรขอให้อธิบายไปให้อาตมาฟังให้เข้าใจด้วยดังนี้